65สิบห้านะครับหกสิบห้านะข้อทียี่สิบนะครับรบวสมวิธีหน้าหกสิบห้าข้อที่ยี่สิบพิสุรุ่มใดถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งขอที่สมควรตางตาด้วยสิ่งที่สมควรกับบุคคลที่นอกจากสาธรรมิก ท, ทั้งห้าด้วยคำพูดไม่ถูกต้องต้องอาบัตปาจิตติ ที่มีการเสียสระเป็นวินัยกับวัตถที่สองที่ชื่อว่ากรกศริยวะโตมาดูที่อาจารย์ตรงแรกไว้ข้างล่างสนุกนครับเช่นพูดว่าท่านจะเอาข้าวสารของเราไปแลกให้น้ำพึ้นแกเราอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะฮะโดยการไล่เปีรร่ยนต้รงเว้นะครับไม่ต้องเลยแต่ถ้าพูดว่าเรามีข้อสารแต่เราต้องการนนะ้ำผึ้น อย่างนี้ได้นะครับดังนี้แล้วถ้าเขาถวายน้ำผึ้งและเอาเข้าเอาข้าวสารไปได้อยู่ถือว่าแรกปลี่นแบบกับเปียโมหะให้ได้ทีนี้นะครับสมาบอกว่าถึงการแรกเปลี่ยนนะก็แลกเปลี่ยนที่สมควรกับปิยพันธุ์อยถูกต้องทุกอย่างนะอะไรนะสบู่แปรงสีฟั น, นยานสีฟันนะครับหรือของใช้จุกจิกอะไรก็แล้วแต่นะไปแลกกับโยมครับคนทีมพ์มัชย์สาสตร์ทมิตรนะ ไม่ใช่พิสูจนพิสูจนสมณะนิสมณะนิสขามนานะครับเพราะว่าถ้าเราปิดกระสับธมิกเนี่ยได้ไม่ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าถุนนี้ก็สควรนะครับอันนี้ไปแลกกอนโยกหรือผู้ที่ไม่ใช่ศาสตร์ธมิกนะแม้จะเป็นนักบวชนอกศาสนานี่ก็ไม่ได้นะครับแลกเปลี่ยนโดยใช้คาพูดไม่ถูกต้องอะไรอย่างเมื่อกี้นะครับอ้าวอันนี้ไปแน้วนั้นมาให้ผมหรือว่าเอามาแลกกันนะครับถ้าใครมาแลกนะครับ ก็จะต้องอามัตินีสสิยาปไปตีในสัคธาหมดนี้มานดูดีครันนี่มันดูต้นมันใหญ่นะว่าต้นมันใยญ่นี่น่า978นีการอย่978 ด้วยสมัยนัย้นพระภาพะเจ้าประทับอยู่นับพระเชตวันอารามของนาธ า, า, านบิดาข้ามบดีเขตพระนครนสาบทีครั้งนั้นท่านโู้ ป, ปนัธาสากญ่าบุตรเป็นผู้ชนาะทำจีวรละจบโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะแม่งก็ทำจีวรเกงครับเธอเอาผ้าเก่าๆทำผ้าสังติย้อมแต่งดีแล้วใช้ผมนะครับออกมาสวยเลยนะเข้าเก่านะเข้ามาเย็บมาตัดมาอะไรนแล้วก็ย้อมสีใหม่ ออกมาอยู่สูงไปเลยใครเห็นนี่คิว่าอ๊้ยดีค่าผืนนี้นะแต่ที่ไหนได้ความจริงเป็นผ้าเกับผ้าเก่าแล้วาขนาดนั้นแหละปริพาเช่าผู้หนึ่งผมผ้ามีราคามากมเข้าไปหาท่านพระปณัฐธาสากายบุตรถืสํา น, นักคั่นแล้วได้กล่าควคานี้กับท่านพระปณัฐทาสากายบุตรว่าผ้าสังกติผืนนี้ของท่านางาวแท้โอ๊้ยเนี่ยสวยจริงนะอยากจะได้นคะครับ จงแรกกันกับผาาของข้าพเจ้าเถิดท่านโภคปัญธาก็กล่าวว่าท่านจงรู้เอา เ, เองเถิดเขาเจ้าพูดคํานี้จะรู้เองเถิดเนี่ยนะครไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าเนี่ยรู้เองนะริฟฟารชงนั้นก็ตอบว่านี่ข้าพเจ้ารู้พอแล้วเพราะแกก็ออย่ากใหได้ไดจะเปลี่ยนแรกใช่ไหมมันสวยนะครับท่านโภคปัญธาสารกายยมุตต์อบว่าตกลงพล้แล้วได้ให้ไปก็แล้กัน แต่จึงปริพาช่องนั้นได้ห่มผ้าสังกติผืนนั้นไปสู่ปริพาชกาห์พวกปริาพาชกพากันลุมถามปริพาชกผู้นั้นว่าสังกติผืนนี้ของท่านช่างงามจริงท่านได้มาแต่ไหนครับก็ถามเนี่ยทั้งเรารู้ว่าสมัยก่อนพวกปริพาชกนั้นที่ห่มผ้านะเนี่ยเหมือนผ้าก็มีครับเข้ายัางห่มผ้าสังกติของผ้านะที่สีอย่างผ้าเราใช้กันนคะครับค่ะค่ะ แต่วิธีขอ ม, มันทีข้าจะผมแ บ, บ่งนะคับคนแบบน่งครับ น, นี่กับข้าชืา่ออะไรอุปนรฆาชานครปัทธาคนเดิมน <c oughs> ี่ครับทีนี้เข้าก็ถูกถุงเพื่อนถามนะเขาก็บอกว่าเนี่ยผมเอาผ้าของผมผืนนั้นไปแลกออกมานคะครับแลกเปลี่ยนมา <c oughs> พวกบริพาเ้าก็เลยกล่าวว่าโอ้เนี่ยผ้าสังกติของท่านผืนนั้นผืนนี้นะครับจำอยได้สักกี่วัน ผ้าของท่านอืนนั่นแหละดีกว่าพอก็ดูแล้วก็รู้ใช่ไหมอาจจะไปจับปลานะเนี่ยโออเนี่ยมันของเกา่าเข้ามาย้อมแมวย้อมสีทาเอานั้นมานถือนี่กี่วันเนี่ยไอของเก่าท่านน่นมันดีแล้วผ้าดีผ้าใหม่มีราคาอยู่างไรนี่นะครับปริพาโชอของนั้นก็เห็นจริงตามนะว่าปริพาโชคทัหลายพูดถูกจริงถูกต้องผ้าสังกติของเราคืนนี้จะอยู่ได้สักกี่วันผ้าตัวนั้นของเราดีกว่าก็รู้ความจริงนะ แล้วเข้าไปหาท่านผูปปน้บัญชาการยามุถนะึงสำนักขอแรกคืนครับพอไปถึงแล้วก็กล่าวว่าเนี่ยโปรดนำผ้าสังกัดิของท่านไปโปรดคืนผ้าของผมมานะขอแรกคืนะะคนะคืนแล้วท่านผูปปน้บัญชาการก็เลยพูดว่าข้าพเจ้าเนี่ยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าจงรู้เอาเองเถอะเนี่ยเาบอกแล้วไม่เห็นะมันนะข้าพเจ้ า, าจะไม่คืนให้นะครับไม่คืนหรอก ได้ของนี้แล้วอนิพาช่องนั้นก็ไม่พอใจนะจึงแเพ่งเข้าติดเตรียงพนธนาขึ้นในทันใดนั้นแล้วว่าธรรมดาขาวัญหัดก็ยังคืนให้แก่ขวัญหัดผู้เดือดร้อนก้อกนนี้บัญชิตจังไม่คืนให้กับรรพชิตด้วยการเที่ยวอยู่เนะี่ยมันเกิดมาแล้วนะชาวบ้านก็ยังคืนกันเลยใช่ไหมแต่นี่นั่งหัวแท้ๆนะครับไม่ยอมคืนของไม่ได้เกิดมาแล้ว พิษมังหลายนิยนปริพาชกนะแท่งท้าอยูนพัฒนานะครับบรรดาที่ผู้มั่งน้อยสัโดต่ก็แงก่งเท่าอยู่ติดกันพทธนาะว่าขณนท้่ท่านพระปนันทาสาักยบุรจึงได้ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเล่าและกราบเนื่องนั้นแบบมืภาเจ้ารุ่ง้อื่องอกประชุมสงศงสองเ ท, ท้าสงติดเสียงทรงนันท์ได้ที่สุดก็ปรญัดสิ้าบนนี้ขึ้นมามาดูในกังขานาวาร89 เนีย่ยมงจฉาในในที่ในพิธีบุญนี่นีน่นนะถ้าจะที่บางเขาว่าถึงการแรกเปลี่ย น, ยขาา น, ายนเขาว่าแลกเปลี่ยนในตลาดไหนครับอ๋อที่มังเขาว่ามีระการต่างๆก่อนมีระการต่างๆนะถึงการแลกเปลี่ยนสินค้ามีอาการต่ขขางๆนะก็ได้แก่ไอคอนที่เอาไปแลกเปลี่ยนในสินคาบุญนี่เป็นกับวิญญาณของที่สมควรทั้งหมดนะก็มีอะไรจีวรี 1, ินาเาสเนสนะและเบพบปฏิฐานปัจจัยของพิษุข้าย โดยที่สุดแม่ก้อนผุ่นครับมันเป็นจุล น, น่าก้อนจุลไม้ชําระฟันได้ใช้ผ้าทั้งหมดนะครับอเอาเตายีฟันต้แรกไงโยโยอันนี้น่าจมามีเนี่ยมีอะไรนะ่ะออร์โลบีสองสองด้านแรกที่จะแทนมาหนึ่งด้านนี้นะโอสมัยก่อนอในออร์โลบีเนี่ยใครมีใช้ก็ถือว่าสุดยอดนะนะครับสมัยก่อนจําได้าตามเป็นเนะน็นะออร์โลบีธรรมดาครับ มันก็ถือว่าสุดยอดแล้วมันก็มีใช้กันหรอกไ ม, ไม่มีแต่แข้งแข้งอลล่สาสินบาอนทิบินบานะครับอสมัยก่อนมีอลล่าบินเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาอะไรใช้กันไม่รู้นะือ้อชอบชอบนะถือว่าดีแลนะครับแต่พอมาสมัยนี้นะพอมีเครื่อแทนมากเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเอลล่าบินต่รลุ่มไนเลยนะเขากระจายเป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่เห็นจะใช้กันนะครับ แสมัยก่อนเนี่ยหงมันจะจมนาถ้ามียังนี้ใช้นะครับมาตายก็ถือว่าเรื่องเยอมากนะถือว่าบ้างมากนะั้งทีเนีถ้าใช้เนึ่อาจารย์เอาลอบบีนะครับสมัยก่อนะนี่จได้เามถึงเป็นนี่นะครับอาจารย์สั่งอะห้ามสั่งไปนลีถ้าใช้เนี่ยที่ยมถวายนี่เป็นเรื่องมากอะไรจารห้ามอะไรตอนนั้นจาได้แต่ผมมายู่นี่หูเอาล็อบีเนี่ยกลายเป็นอะไรแล้ว ต่อไปครับคําว่าแรกเปลี่ยนเนี่ยถึงการแลกเปลี่ยนก็คือพระสุขพูดเป็นเชิงบางครั้งว่าจองให้ของสิ่ง น, นี้ด้วยของสิ่ง น, นี้อันนี้ก็ว่าเป็นสิ่งนี้คืออะไรให้ยกเป็นตัวอย่างเชิงอ่าสำนวนภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้นะครับ ท่านจงให้สิ่งนี้เออให้ปากกาดูย่างลบหรือว่าจงนําของสิ่งนี้มาด้วยสิ่งนี้อย่างนี้นะครับหมายว่าเนี่ยเอานั่นมาแล้วอยูนอันนี้ไปแลกเปลี่ยนยมๆๆมกันยิ่งยิ่งมาครับแลกเปลี่ยน ท, ที่ไม่ถูกต้องเอาไปแบบเนี้ยาจหรือว่าใช้อย่างนี้นะครับจงแลกเปลี่ยนของสิ่งนี้ด้วยของสิ่งนี้แลกเปลี่ยนอะไรนะครับใช่ไห โจงจ่ายของสิ่งนี้ด้วยของสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต้อบัตทุกกดกันนะครับขณะที่พูดอย่นี่ยนะในเวลาที่แริกแล้วคือให้ของตนไปอยู่ในมือของคนอื่นนะครับและเปลี่ยนแล้วก็ให้ของคนอื่น ม, มาอยู่ในมือของตนนะอยู่ว่าอะไรนี่ร้อยก็เป็นนิสสุขีนะครับต้องเสียสลับเตตงนินสองคนก็ได้คนก็ได้ทีนี้ามาดูคำํำอธิบายการคายนะ หน้สาสิบห้าข้อที่สิบอธิบายกายวิทยะสิขาบทนะครับพึงทาบอธิบายในสิขาบทที่สิบต่อไปคําว่านานัประการกางความว่ามีประการมากมายเนื่องด้วยสิ่งของที่เป็นกเปียะนะครับมีจีวรเป็นต้องเยอะแยะใช่ไหมว่าประการต่างก็คือเนื้อในของที่เป็นกเปียะนะครับอะไรบ้างก็แล้วแต่คําว่ากายวิทยาแปลว่าซื้อและขาย เพราะกัญญาว่าซื้อกัญญาตัว่าขายจริงอยู่เมื่อพิสุรัอเอากับยิกย า, กก า, กกากพันของมุคลคือโดยในนี้ว่าท่านจงให้สิ่งของนี้ด้วยสิ่ง น, นี้นะคนไทยอาจจะงงในอะไรเอา้าท่านบอกว่าเนี่ยเอาเอามาแลกกันที่เมื่อคะหรืออคุณเอานั่นไปโยงเอานั่นไปหน้าแล้วก็เอันนี้มาให้อาตมาเนี่ย อี่สิ่งจะดื้ยเรื่องแต่พ่อแมาก็ทำกันอยู่ทำอะไรนะจงเอาสังขติไปนะครังให้สันขติด้วยทีวรถึงได้จงนําเอาสิ่งนี้ไปสิ่งนี้มานะจงนําเอาสิ่งนี้มาถึงก็ได้แล้วเป็นเทนั้นจงแรกเปลี่ยนจงจ่ายดังนี้อันนี้ชื่อว่าเป็การซื้อนะเถึงการซื้อพ่อจะเป็นแรกกับเขา ทีนี้นะครับเมื่อให้กับปิยพันธ์ของตนแก่เขาแล้วก็ของเขาของเราให้ของให้เขาก่อนนะครับชื่อว่าถึงการขายขายของเใช่ไหมแต่ตอนที่จะเอาเขาเข้ามาะที่ว่าซื้อนะเอามาด้วยสิงเงนี้จะแลกด้วยสิ่งนี่ยชื่อว่าซื้อนะครับแต่ตอนนี้ให้ของของเราแก่เขาก็ชื่อว่ า, าเพราะฉะนั้นเวสสัตย์ทำมิทธะจำพวกแล้วทิ้สู่ให้กับปิยพันธ์ใด ให้กับปิยพันธ์ในของตนอย่างนี้แล้วรับเอากับปิยพันธ์นะครับแม้จะเป็นของมาดาก็ตามกับปิยพันธ์นั้นเป็นเสศยขยปาจิตติตัแรกใช้ไม่ได้เป็นโยมแมแต่แม่ตัวเนี่ก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังให้มีเน่ากันเผยตัวนะครับแต่แรกของอะไรกัโยมพ่อโยมแม่เนี่ยไม่ใชได้คิดเล้ดีะครับ่ถ้ามีโยมแม่ก็ไม่เห็นครับไม่ใช่นะครับในวนงไหนจะต ใ่ใ ช, ใชครับ<อ>ก็ไม่ไดครับเ<อ>นี่ยทีอ้าวยมแม่มาแลกกันมือถือของยมแม่เน่ยมันมันเล่นเอกสารได้ใช่ไหมข อ, อตะมาเล่นไม่ได้แต่ว่ามันก็ใช้ดีนะยมแม่ไม่ได้ฟังว่าเอามาแลกกับตะมาแต่ลยครับเดี้โ<อ>ดนอะไรนะถ้าขอขอไปเลยก็แต่ไม่แลกนะเนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ น, ะนี่ก่อนนะคือการนี้คนเป็นหรือเป่า อไม่ใช่โลกกว่าวชาัชระนะครับไม่ใช่โลกว่าวัชานะนี่ยก็จะไม่โดนอนนี<ม>้จด่าวัชนะ้อีารา้ว้าแบว่าเอาของที่ดีกว่าแลของที่มดีได้ดีกว่าไหนของที่มีดีด ก, ดก็ได้นะครับแต่ถ้าขอาอถ้าแรกใจโยมยังไงก็ไม่ได้อนยะู่แล้วนะครับองประการ ใ, ใดๆนะแต่ถ้าใช้กับเปี้ยวงหานอะได้นะครับขอเราดีกว่า แต่เราต้องการของที่มันมีราคาถูกกว่าใช่ไหมก็มีปัญหาถ้าเราใช้กระปด้งหัวหันนะแต่ถ้าของเรามีเดเดจะมีความที่บาตัวเนี้นะตั้งจะพูดถึงเนี่ยแต่ถ้าของเรามีราคาน้อยกว่าเนี่ยไปไรของนี้เขามีราคามากกว่านี้ไม่ได้นอกเราต้องบอกความจริงี่เขรู้นะครับ จะไปโกงหรือไปให้เขาไม่รู้อันนี้นะอันนี้ไม่ได้เลยครับมันสามารถนะครับตีราคาปักอาบัได้เลยนะหนักขนาดนั้นเลยนะครับไปเข้าเราื่องโคบาที่ิ่อนทินาทานได้หครับใช่ครับถ้าราคาตึงก็่าจริจงเยใช่ใช่เนี่ยนะรับ่งันเนี่ย ชอนรู้ยังมากหนึ่งที่เป็นกับพี่ยาเป็นงไงบอกโยมอัตมามีเนี่ยอะไรนะมีของเล็กน้อยนะทางปรทธานหรือน้าโยมของดีๆเนี่ยแต่อัตมาต้องการมือถือเครืนน <c oughs> ่องนึงเขาก็รู้ใช่ไหมอัตมามีสิ่งเนี่ยของอยงนี้แหละบอกอะไรอะไรนะครับแต่สมัครต้การมือถือเนี่ยโยมว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจนะเนี่ยแค่นี้แหละนะ้าชอน สิ่งนั้นที่สุดควรสละแก่บุคคลได้บุคคลหนึ่งมีสองค้าได้บุคคลโดยลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับแต่ทีวามสละครบและเข้าส่งก็อย่าคืนให้นะไม่ต้องไปเพี้ยนทิ้งนะครับเขาคืนมาให้ก็ใช้ได้นะรับ น, นี้นะไมนต้องทิ้งทิ้งนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมคืนให้นะก็จะไปเอาบัตรนะครับก่อนที่ไม่ยอมคืนให้ก็จะเป็นเอาบัตรทุกกฎเหมือนกับอะไร สุดสัปดาห์ที่ไม่ยอมคืนของนี่ไม่ใช่ไอ้ น, นี่มีอยู่แค่ที่หมที่หน่ถ้าไม่ไม่ฟูนะตรงนี้ก็ต้องคืนให้เหมือนตลาดไม่ใช่ครับนะครับโดยลักษณะดังก่าแล้วสิ่งของที่มีอยู่เพราะให้เขานาน้าย้อมมาเป็นต้นก็ดีนะครับไอ้ น, นี่ผมขออ่าอธิบายตรงนี้ให้ฟังตรงในสมมตินะั้ เพราะว่าทันตแพทยที่บ้านมันละเอียดกว่านะครับบางทีเนมะันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะอย่างเช่นว่ามีโยมเข้ามาที่วัด น, นะพวกไม่ใช่โยมมาถวานสังฆทานนะครับมาขออาศัยวัดอยู่สักวันสองวันนะหรือว่าเขาเรียกคนกินแดง <c oughs> ไม่ใช่คนวันนะไม่ใช่ทางยกหรือกัปปิยะตาลอบนะครับอตกทุกได้ยากลําลบากหานะํานทำไม่ได้อะไรนะี่นะ แล้มาขออาศัยว่าอยู่สภาพหนึ่งการเดือนสองสามเดือนก็ั้าแต่หรืออยูไ่ไปนานๆอะไรก็น่้แต่นะมันกินแดงข้าวในนีน้ถ้าเราใช้ลักษณะว่าจ้างเขานะไม่ได้นะด้วยอาหารนี่แหละเ อ, อาโยงกินข้าวแล้วนะโยง ก, กินข้าวเพื่อทวงงานให้อัตมาไหนนะอยา่างนี้ไม่ได้นะใช้ลักษณะเป็นการเอาข้าวอาหารนี่แหละเป็นการจ้างเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดยเฉพาะโดยหมดเลยนะแล้วยังต้องระวัง อันนี้ถ้าบอกว่าเนี่ยพิสูจนเห็นคนกินเดย์แล้วก็กล่าวว่าเธอจงกินข้าวสุกนี้แล้วนำน้ําย้อมหรือฟืนมาให้นะครอ้าวโยมินั่กินข้าวแล้วก็ไปหานั่นนี่มาให้ตมาเนี่ยหาเนยหักฟืนมาให้แล้วก็ให้ข้าวสุกเข้านะครับอันนี้ก็เป็นนิสัที่จะไปตีนะโดยข้อนี้เลยตามจำนวนสเก็ดน้ําย้อมนะครับเอามาบีสเกตและการมจำนวนฟืนที่วรขนมาให้หรือเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยข้าวสุกเขาพวกฟืยพวกอะไรนี้ พ่สูกล่าวว่าพวกท่านบริพ่อข้าวสุกนี้แล้วจงทํากิจชื่อนี้นะครับกินข้าแล้วก็มาทํางานนี่ให้สบานะนี่ประสงค์และแต่นี่ครับและให้พวกช่างศีลมีช่างแกะสลักงาเป็นต้องให้ทําบริขาร น, นั้นบรรดาบริขามีธรรมกรกเป็นต้นให้พวกช่างย้อมนะครับใช้พวกช่างย้อมให้ซักผ้าเป็นอาบัตดตามวัตถุทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นอาบัดเหมือกัน พิสูจงให้พวกช่างระบบรงผมให้นะครับให้พวกนวัตกรมกรมทํานวัตกรรมเป็นอาบัตตางวัตถุเหมือนกันเราใช้เขาทํางานแล้วก็เป็นอาบัตตางวัตถุแต่ว่าถ้ามันไม่มีของที่จะต้องสละนะรล่เขาทําบริการให้เราเนี่ยแต่อุปกรณ์ของเราหมดเลยนะครับให้โยงการทำอันนะกรดให้เราอันหนึ่งเนี่ยแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของเราเราจ้างแค่เอาแรงงานเขา้านะครับแต่ถ้าไม่ได้ ถ้าขออะไรก็เป็นได้ครับขออะไรงานแต่ก็คือการจ้านะครับหรือจ้างเขาทงานเนี้ยนะถ้ามีวัตถุที่จะต้องสนานนะครับพ่อมีแต่งานมีงานมีเดียวเราแค่ปล ong a l b นะแล้วก็หายหน่ยนครับไม่ต้องสนาบวัตถุแต่ถ้ามีวัตถุที่เราได้มาจากเะ้ออะไรมาเนี้ยนะต้องสนับวัตถุก่อนเดี๋ยวปล ong a ุนะครับ ก็คือแรกค่านะครับเพีนีแต่ว่าอะไรเอาของข้ามาอมังกรและก็เอาของเราไปทีหลังจะ<ม>ถ้าการพูดให้แยกกันเลยนะครับไม่ใชลักษณะว่าอะไรเป็นการแลกเปลีอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเขาจะพูดถึงนะอ้าวโยมเป็นเจริญกุศลนะ <c oughs> ตอนนี้พระกำลังสั่งอะไรนะเป็นเจริญกุศลหนึ่งก็ได้แล้วพระสั่เสร็จก็ค่อยมาพิจานะรณาตอบคือพูดให้แยกกันนะครับไม่เป็นว่าอันนี้เปค่าจ้างเป็นอะไร อันนี้ได้ครับครับหรือครับโยมตั้งใจที่จะมากวาาเก็บมาทำงานในวัดครับโยมตั้งใจนะ ไม่เป็นเท่ากันไม่ใช่ลักษณะการแลกเปลี่ยนครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้มาแลกเปี่ยนอะไรกับเราเขาต้องการจะมาช่วยเราอยู่แล้วเห็นได้เราเห็นว่าข้ามัก็นื่อยเยอะเขาก็มาช่วยงานแล้วก็แบ่งสลาให้เข้าไปนะครับสำหข้อแรกวันนี้เนี่ยเราไม่มีที่ทใช้แต่เราแค่พูดแบบว่า้องมันเ้าเื่อต่อกันนะถ้าพูดเย่พูดแยกันก็จะไม่เป็นนะเดี๋ยวมาดูนะท่านจะบอกนะครับ มีการพูดแยกกันนะก็ถ้าพิสุไม่กล่าวว่าพวกท่านบริโภคอาหานี้แล้วจงทํากิจนี้เพราะถ้าพูดคํานี้นะจะเป็นการไลร่ตีทันทีใช่ไหมครับ อ, าอ้าวยังข้าวแล้วไปทํางานนี้นะนี่ละมานะนะครับถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้แต่พูดว่ากล่าวว่าเธอจงบริโภคอาหารนี้พูดอย่างนี้นะครับเธอบริโภคแล้วหรือจับบริโภค จงช่วยทํากิจชื่อนี้ย่อมสุขสอ้าวยอมกินข้าวนะและอันแยกกัน ต, งตรงไหนครับเธอจองบริโภออาหารนี้ให้บริพ่อแล้วหรือจากบริพ่อจงช่วยทํากิจชื่อนี้ย่อมขูดถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จ่ชัดนะครับจะชัดนะครับถ้าไหนใช้คํานี้นะครับว่า ไม่กล่าวไม่กล่าว่าเธอจงบริโภค อ, อาหารนี้นะครับจะจงบริโภค อ, อาหารนี้นะกินข้าวแล้วหรือว่าจัดกินข้าวนะอ่านะคะรับจองทํากิจเชื่อนี้ให้มันมาคล้ายๆกันนะครับมันมีลักษณะว่าพดไม่เชื่อมกันนะครับอันแรกบอกว่าบริโภค อ, อาหารแล้วจงทํากิจนี้นะครับจงทําอันนี้ให้นะแต่ น, นี่บอกว่ า, วาอะไรนะเนเี่ยอ้าวกินข้าวไปแล้วนะ กินข e so ้าเสร็จแล้วก right. <laughs> <Explain S 2> <Okay, S 1> <K> ็ไปช่วยทำงานหน่อยนะลักษณะนี้นะไม่ไม่ได้เป็นการคือเราไก็ไม่ไม่มีใจที่จะจ้างนะครับบอกอ้าวโยมข้ามีปลาเสร็จแล้วก็ไปช่วยพัสองหน่อยนะนี่ครับไม่บอกว่าอ๋อาบนิโบกินค้าแล้วต้องไปทำานองใช่ครับค่ยคคคออไม่ไม่ได้บกินนครับไอที่กินนคือ ทางเขไม่ได้บอกวาอะไรครับใช่ก็บอกให้มาเข้าใหกินไปเท้าเขาเนี่ยครับลักษณะว่าตอนแรกคือช่วนเชิญเขากินข้าวเฉยนะไม่ได้ว่าจใช้ค่าจ้างอะไรนะครับแต่พอมีงานที่จะต้องทําคนดีใช่ไหมครับอ้าช่วยทํามันมีเนี่ยมันมีคําว่าจงช่วยทํากินชื่อนี้ให้เยี่ยงสนควรมันไม่ลักษณะของการบังคับใช่ไหมครับแต่บังคับก็คุ้กินข้าวคุณต้องทํางานให้เราเลย นบริโภคนี้นะจองทํากิจนี้แต่อันหลังนี่ยพออ้าทกินข้าวนปลายอะกินข้าแล้วก็มาช่วยทำงานใี่ท่าหน่อยนะเนี่ยผมว่ากินข้าเสร็จแล้วนะมาช่วยทำงานให้หน่อยมันจะแยกกันไหมครับกรยอมกินข้าวแล้วก็ต้องทํางานนี่ต้อครับมันตกถ้าเป็นวิธีกามบลีมันหมอนข้วาดชัดเจน เกี่ยวกับารใช้จุยยาใช้พ่นนี้นะครับที่เป็นการแลกเปลี่ยนหรือบังคับนี้นะกะที่ไม่เป็นการแลกเปลี่ยนนะอันนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรก็ในการให้ทาบริการเป็นต้นนี้พันดักของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิด ช, ชอบของตนชื่อว่าพิสุทธิพึงสละย่อมไม่มีพองห้ทํางานให้แย่ซากไพ่โปร่งผมไม่ทํางานถูครับอันนี้ว่านไป ก็กรองอากาศอย่างดีไม่มีอะไรต้องสานนะครับต่อไปครับนี่ก็ น, น, นกลนกรรในกลาคงคานําสองบรรทัสุดท้ายเนี่ยนี้สิ่งของที่มีอยู่เพ่อให้เขานำน้ำย้อมมาให้เป็นต้นก็ดีให้เขาทำบริขามีธรรมกบก็ดีนวักกรรมมีการเกีย่ยพื้นดินเป็นต้นก็ดี ด้วยกล่าวว่าท่านใช้สิ่งนี้แล้วหรือเอาสิ่งหรือถือเอาสิ่งนี้แล้วจงนำสิ่งนี้มาให้ครับอันจงนำสิ่งนี้มาให้เราหรือว่าท่านจงทำสิ่งนี้แก่เราดังนี้พิสูจ ต, ต้องสละถ้ามีสิ่งของนะเมื่อไม่มีวัตถุที่จะต้องสละแสดงแค่อรารมณ์ปาจิตีอย่างดีก่อนมีอสละ อาบัตรนะครับสินค้าบทนี้เมื่อพระเจ้าทรงปาลบเทพนันทะในมูลสามวันทีบัญญัติไม่แล้วต้นเหตุคือการซื้อขายกันอานาบัตรับจริงในการแลกเปลี่ยนนภาษาไทยก็จะว่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อพิสูจนถามถึงราคาอย่างนี้ว่าของนี้มีราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่เป็นอาบัต น, นะเขาในอาณาบัตรนะเราสามารถถามราคาของหน้า เราไปที่น้านไปหาของไปกัรพยาใช่ไหมเราเป็คนไปถามราคาของเองได้ะครับได้รู้ว่าของราคาถูกราคาแพงใช่มัไหมนะะต้องการจะรับเอาสิ่งของจากมือของบุคคลใดแม้บุคคล น, นั้นเสียนะครับเมื่อกระทําบุคคลอื่นโดยที่สุดแม้บุตรหรือพี่ชายของบุคคล น, นั้นัแหละให้เป็นกัิย่าการโลกบอกว่าท่านถือเอาสิ่งของนี้แล้วจงให้ก็ดีอันนี้เข้าใจยากนะมาคำว่านะครับนะ ถ้าเราจะเอาของไปแลกนะที่ร้าเลยใช่ไครับเรามี ว, าวิญญาณวาจะกองไปนะครับหรือกับพี้ยาการลูกหรือถ้าไม่มีก็แล้วแต่นะเราสามารถใช้โยมคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับไม่ เ, เป็นลูกเป็นพี่นอนะ้องเขาก็แล้วแต่นะแต่ที่ไม่ใช่เจ้าของร้านนะให้ไปแรกมาให้เราไดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กับพี้ยโมหานะบอกให้โยมเอ่อไปแลกอันนี้มาให้ตมานะตมามีเนี่ย อาตมาต้องการเป็นแรกกอาหานั้นมาเนี่ยนะพูดอย่างนี้ได้เลยพราะเราไม่ได้แหลกจากเจ้าของมาโดยตรงเราใช้คนอื the year, ่นให้ไปช่วยแหลให้อีกทีอย่างนี้ไดเดี๋ยวเช่นอ๋อง่ายเวลายกบุผเมล็ดใช่ไหบางทีจะสั่งของมาแล้วแกลไปหาของมาให้เราไม่ถูกเนี่ยเรากบอกโยมอาตมาไม่เอาที่นั่นช่วยไปแหลกเปลี่ยนมาให้หน่อยเปลี่ยนหมาแหลกเลยนะใช้ผูดอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ได้แหลกเห้ให้บุญยากันได้ แต่ถ้าเราจะแลกเองเราต้องใช้กับเปียงูหันพิสูจน์ั้นการอย่างนี้ว่าเรามีสิ่งของนี้และเราก็ต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้ ไ, ได้ไไดแล้วเราเอามาด้วยพัสดุกของตนก็ดีีหรือว่าใช้กับเปียหหันได้ทําการลกเปลี่ยนกอกสารทำม <c oughs> ิตรภาพตัวดีพิสู่น์บ้าเป็นต้นตัวดีไม่ต้องอาบอกท่านก็มีหนะะ้านที่บัง เกีการแรกนะโดยใช้กับปียบัวหาเนี่ยถึงแม้เราใช้กับเปียบัวหาแล้วจริงครับแต่เราก็ต้องดูราคาของนะนะครับว่ามันสมกันไหมนี่ถ้าพูดถึงว่าน่ะพี่สุดถามว่าบาบของท่านนี้ราคาเท่าไหร่โยบบาบเนี้ยราคาเท่าไหร่นะพันสองพี่แพงเลยใครมายที่เรา๋บาบเขาขายลูกละสี่พันนะครับโอ้โหเลยือนกีเขาขายยี่ห้อขายอะไรด้วยนะ ในร้านที่มีชื่อแพงครับร้านบริหารทุนรวมวเสดุอะไรเงี้ยนะเขาโค้ชน้องเข้ามาดีกันหนึ่งนี่นะครับขายใบละสี่พันโอ้โหมีเท่าด้วยมีจริงครับน mm ั่นแหละม mm hmm. ากที่ก็ไม่ได้ผันนเถือแพงมากนะครับไม่หลนี่ครับนี่ถามราคานะเอแต่เมื่อเจ้าของบากกล่าวว่าราคาเท่านี้นะครับเี mm ่ย hmm. บอกแล้วนะพันสองเนี่ยถ้ากับปริย่าพันของมิสูตนั้นะมีราคามาก ของเรามันเต็มสังฆทานนี๋ยวมันเยอะกว่าพันสองนั่นเ่ยเราก็ต้องบอกต่ออบางสมนั่นไปอย่างนี้ว่าอุบางสงว่าจุของเรานี้มีราคามากกว่าของตมาเนี่มีราคาเยอะนะโยเี่ยมันเยอะกว่าพันสองนั่นเองท่านจงให้บาปของท่านให้คนอื่นเถอะเราก็ไม่เอานะเพราะว่าของเรามีราคามากไม่เอาเอาบาปคนอื่นไปเทอะบาไม่เอาแล้วปลางอุบาสกได้ยินคำนั้นน่ะสาว่า ผมจะแถมกระถางอื่นให้อีกนะครับเอาจะแถงกระถางอีกใบหนึง่งจะรับเอาไว้ก็ควรนะครับอันนี้ครับของนั้นตกไปลักษณะที่ตัดไว้ว่าเรามีสิ่งนี้เป็นต้องถึงแล้วไม่ได้พูดใช่ไหมตมามีสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับเพีแต่เราเราถามราคาแล้วเราบอกของนี้นะ ถ้าบาทนะั้นมีราคาแพงนะบาทขงโยมนะมันฟังสองของเราตีรวมก็น่าแค่800คแปดนนะ้อยเราอะทั้งหมดอเต็มถังน ะ, ะสิ่งของของมิสุที่มีราคาถูกนะครับและเจ้าของบาทไม่รู้ว่าของนั้นราคาถูกเขาไม่รู้นะมิสุอย่าเพิ่งรับเอาหมานะครับเพิ่งบอกว่าของของเรามีราคาถูกต้องบอกตามความเป็นจริงเลยนะครับรั้นสุดสั้น เราไม่ได้นะครับพิสูจน์เนี่ยต้องเป็นสักโก อ, อุชูเจสุอุชูเป็นผู้ซื่อสัตย์สื่อตรงนะครับจงอยู่เมื่อพิสุจกล่าวหลอกลวงว่ามีราคามากนะครับโอ้ยมีราคาตั้งพันสี่หรือว่าพันสองนของโยมอะไนี่นะครับท่านี้มาแค่แปด้อยนะรับเอาบาทไปจะถึงความเป็นผู้อันภาพมีในทอนจะใมตีราคาสิ่ของแล้วปรับตบักนะครับโ้ยหน ค่าแพงก็เป็นปรชินใช่ใช่ถ้าของนั่นนะโนะั่นทีนี้มันมีที่ว่าภาษณาว่าถ้าไปขายของแล้วก็ค้ากำไรไหครับเนี่ยนมันจะโดนนะครับถ้าใ้ตัวเองของราคาแค่นี้นะแต่ไปบอกนลยว่าแพงทั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเอาของเข้ามาเยอะๆนะนะมาบางที่เนี่ยบางที่เนะี่ยถ้าเขายอนก็ต้องการทาบุญนะครับ แล้วก็พระบางนคนไปจัดการให้เองนี่แหละไปหาพุทธรูปนี่นะไปไปซื้อมาให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จ่ายตังค์นะมันจะมีอที่อื่นบ้านอื่นใช่ไหมครับพระเป็นคนไปจัดหาเองโยก็ไม่มีเวลาหรอกไปซื้อนะเปลี่ยนเข้ต้องการทํามูลตอบเงิงนะครับแล้วพระไปซื้อมาองค์ละพลันสองนะครับอย่างนี้แต่แล้วก็มาบอกเจ้าพระโยพันสี่โยอจะทําไม้ทํามูลนี่ทำมูลเมืม่อกาซื้อขาเลยนะ บุญเปนการขายนะโยมยังไม่ยังบอกะนะครับทั้งที่พุทธหลวงตัวเองพันสองนะครับแต่เอาเงินพันสี่เข้ามาอันนี้น่าไม่ได้ครับไม่ได้ที่แบบนี้เพราะว่าของตัวเองมีน้อยนะครับแล้วก็แบรรดของมีราคามากมันโยมาอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทองด้วยมันแบบผิดหลายทั้นตอนนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นไรนะแต่เพราะว่าเราเร า, เราบอกเขาไปแล้วนะค ไหนว่านแพงแต่นี่เราข้อพิอาร<อ>ั์มันแค่คทั้งสองเราตั้งใจเลยนะครับถ้าเจ้าของบ่ายป่าว่าช่างเถิดขอลัที่เหลือจะเป็นบุญแก่ผมนีนะแล้วถวายควรถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะท่นก็หาครับก็ยังมีอีก น, นี่นะองอาบันองอาบันนะครับสีข้าคนนี้มีองสามนี้คือหนึ่ง สิ่งของที่ตนใช้แรกหรือที่แรกออกมาทั้งสองอย่างนั้นเป็นกัยาบย่วัตถุครับถ้าเราเงินทองไปซื้อเราเป็นอาบัติอะไรครับเป็นสกิยาไปตีถ้าเราเอาพวกทุกคนวัตถุนะแก้วมณีกแก้วมุกดาไปแรกมาเนี่ยต้องอาบัติอะไรครับชุวงกอดนะครับแต่ถ้าเกับปย่าพันนี่แหละไปแลกไกโยกมาก็ต้องตี นสิสสกีในข้อนี้ขานิสสกีไปตีนะครับหนึ่งข้อนี้นะครับอันนี้สองแรกกับบุคคลที่ไม่ใช่สามคนนี้นะครับสามมีการแลกเปลี่ยนกันเมื่อคขาปองสา็เป็นปอบัตไปตีนิสิขาบบนี้นะครับ <c oughs> ไปตีมันไม่ต้องสละอะไรนะเป็น ไ, ไปตีเฉยแต่ถ้านิสสกีไปคือ <c oughs> อาบานะัตเป็นไปตี แต่ไปตีที่ต้องมีการสลักของแนี้ชื่อว่านิสกี้ไปตีครับเอาไปไปตีที่มีการเสียสลัเป็นบรรยากาถ้าไปตีทำงานจะเรียกว่าสุทธามาิตีครับคือการตรงใช่ไหตีต้องรูว่าแค่โฟอาบไองดีก็หลต้องเสียเอาของต้ององจะต้องขนาดของถึงโฟอาบหลุดต้ชงเาของต้องสนาดของถึงตรงถึงตรง คามที่เหลือมีในนางกาแม่นันปียักษสามหัาลักษิขาบทแล้วจงการที่บายกัญญากยาสุศิขาบทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะศิขาบทก็มีสมุทรฐานหกนะครับมีสมุทรฐานหกเลยถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเราจะรู้หรือไม่รู้นะเราข้อเจอไม่ได้แลกเปลี่ยนถ้านี่เป็นการแลกเปลี่ยนก็ต้องรับบัตรนั้นพอสมุทฐานหกมีจีนไม่มีจีนโดนเท่านั้นนะครับ เป็นกิริยาต้องข้อการทำนองสัญญาไม่บอกไม่รู้ก็ให้ผลนะครับอันจิเป็นกระจะรูไม่รู้ร น, น, น, ะนะถ้าฟังจีนเป็นการแรกก็โดนครับปณิตวัาชชะอันนี้ไม่ได้เป็นอนุสาวรีย์เดียวกายกรรมก็ได้วัชกกรรมก็ได้ครับมีจิตสามเวทานาสามดังนี้แหละนะครับกรจบ เราและผมกับพ่อค้าธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งเขาเอ้าแต่ว่าเราขากําไรเท่านี้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นนครับไรีว่าขายกำไรจะ ม, ม, มีปฏิกดดแต่นี่น่ะท่านเป็นคนประจัดใ จ, ดจเองนะลักษณะว่าท่านเป็นคนไปหาของมาแล้วก็มาบอกนะครับโย่ว่าสายเท่าเนเท่านี้ถ้านี่ของจริงมันราคาแค่นั้นเองะครับเพื่อจะเอาเนโ ย, ย่วเยอะๆนี่นะมันก็เป็นกรณี ใช้ย้อนไปทำใช่ไหมครับบอกว่าถ้าใช้ย้อนไปแลกเปลี่ยนไม่เป็นครับไม่เป็นอาบัตเลยนะไม่ใช่เดินทองนะคือกับปบียบภายในที่นี่แหละใช่ไหมครับแต่ใช้มโยงวิยาอะไรนี่ได้นะครับหมอกว่าไปแลกเปลี่ยนเลยหรือแม้แต่ใช้ไม่ใช่เจ้าของร้านอ่ะอาลูกเจ้าของร้านน่ยบอกเอาไปอันนี้แลกให้พี่นะที่ต้องการนั้นก็ยังได้เลยครับถ้าใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นอนามนติกาใชไมครับไม่เกี่ยวกับการใช้ ต้องไปทำเป็นะครับไปดูนะครับแล้วเนี่ยรพี่าี่าพี่มมาไระอ๋อออคนอันกันอันนั้นเราแรกเองนะครับเราแรกเปลี่ยนหรือว่าแรกเปลี่ยนเขามชงานให้เราครับไปนํา้ำบ่อไติตีมกันครับไต่ตีมอ๋อสานตรงนี้นะ เปี่ยนมันก็โดนคำพูดมันต้องคำพูดแบบ ว, ว่าอาโยมถ้ากินข้าวเย็นฟ้าเสร็จแล้วก็มาช่วยทํานิดหน่อนะต้องลักษณะที่แบบให้รู้สึกว่ามันแยกกันขึ้นหน่อยนะที่ไม่เกี่ยวกับว่าเขาติดข้าวเขาต้องมาทำนะครับมันจะมีลักษณะเนี้ยเราจะไปเจอของจริงครันะบเวลาเไขึ้นจริงๆนะี่ยลักษณะเอาตัวเนี่ยตัวรดไปแรกของนะ ที่ได้แรกของประโยคที่เจอจเนี่ยก็เจยลักษณะ น, นี้นะคงก็เป็นบ้านที่ไหมันก็ต้องมาแรก ท, ทีนะครับมันมันจะเสียป่าไม่ได้ไ น, นะเนี่ยแล้วก็มีสิทที่จะแลกเอาได้นะครับคูน้ำตานั่นอะไรก็แลกได้นะนะครับแล้วเราก็บอกเขเลยนะครับประโยตมต่อมามีตั๋วสองใบตมม่อมาต้องการสีร่ <c oughs> ขวดเขาจะบอกเราเองนะครับว่าใบหนึ่งมาแรกได้เท่าไหร่นะครับทีนี้มันมีกรณีพิเศษที่ว่าเรา ย, ยังไม่ได้พูดอะไรเนะ เขาถามนะก่อนเดินไปถึงอ้าวน้พี่เอาอะไรนะครับเขาบอกยนะมีชามีอะไรบอกคนเลยครับต่อมาบ้างการชาอยู่เอารถไหนครับมีรถอมนารึเวล่รถนั่งไบประนัแล้วเขาบอกรถอะไรเนยเขาว่าไปนะครับรถมนาน่านี้ยแล้วก็ยืดเรื่ให้เราแล้วก็เอาตัวเราไปนี่จะเป็นการไล่ติดหรือเป่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่เข้าถามครับ เ, เขาถามเราก่อนอาจารย์ครับเรายัไม่ได้พูดอะไรเียครับอันนี้ก็ในสิ่งที่เข้าถามนะเราก็สามารถบอกได้ครับเขาถามเราแล้วน ะ, ะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับเขาถามเราแล้วและเข้าตัวของเราไปมันก็ยังไม่เขา้านัดเกถามเร า, าเราตอบได้นะครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าเรามีตัวเขาถามมาก่อนใช่ไหมเราบอกว่าต้องการนะอันนี้ แต่ล้วก okay. okay. ็บอกเรามีกี่ใบอะไรก็บอกเขาไปก็นั่งนี่เนี่ยไปเจอใครไปแรกนะครับโอเคเหนือนั่งแล้วเดินทางไกลบางบางที่แล้วก็แจกของเยอะนั่นเองเช่นนครสมบัติทัวร์นะครับสานีไปเชียงใหม่เนี่ยของอาหารนะแล้วก็เอาไว้ตกแต่งอยู่ที่บ้านนะครับมีน้ําางทีบางที่ก็คือมีน้ำอ่อนลมนั่นเอนะครับ แล้วต <ược> ัวก็ยังไปแลกของมาอีกนะของแจกเยอครับแต่วันที่ก็ไม่ค่อยจะมีของแจกอะไรนะแล้วแต่ขอาวข้ามันจะมีบางที่ก็คือเขาจะขึ้นมาเอาของมาถึงในรอบนันชมครับแล้วก็มาแลกมานละ เ็าไปที่นแ้ไปที่น้อเอ๋นะครับอันนั้นก็ไปรกอาหารมาเลยโยขอถามว่าต้องการอะไรก็อาจารย์ก็ อ, กะะอยู่ด้อาจากจุฑพนแล้วก็ พ, พี่เอ๋หรือพี่เอ๋ก็ตอบแบสันนิษฐานเลยต้องการข้าสุกและกลับขาะไรนะข้าสุกและกลับเน <c oughs> <c oughs> ี่ยข้าวสุกเนี่ยพีเอก็ขาวเอโซแต่นั้นผมพาไปที่น้อยเอ๋นะครับขากลับลยนะครับพอรายการหาได้นะ แล้วแล้วก็บอกแล้วว่าเขามานบนแล้ ว, ลวมันมันก็จะมีเขาให้ออกได้แค่นั้นนะในโต๊ะใ น, นอ่า้างข้าวนะมันมากกว่านี้ไม่ได้เขาบอกเราอะไรต้องการอะไรก็บอกว่วาแค่มบอกว่าต้องการข่าวสุขและกล <laughs> ับางอย่างเมืองสเปนกับเยอรมนีนะแล้วก็ดูด้วยนะคเับถ้าเรารู้ว่าเนี่ยมันแค่เนี้ยนะสองแค่เนี้ย มันจะไปแรกของมีราคานขนาดนั้นอะไรไม่ได้เราก็อย่าไปทำนะถ้ามารู้ใช่ไ้ยครับว่าขอท่องมันมากกว่าอยู่แล้วหรื<ม>อว่าถ้าอยากทำก็ต้องบอกความนี้เขารู้กันดีก็มีแค่นี้ะนะไม่รู้ว่า